มีดดครบกวสำหรับพวกเขาในสวนสวรรค์นั้นจะได้รับสิ่งที่พวกเขาประสงค์โดยจะพำนักอยู่ตลอดกาลมันเป็นสัญญาที่ถูกวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเจ้า และ ว, วันที่พระองค์ทรงรวบรวมพวกเขาและบรรดาผู้ที่พวกเขาเคารพภักดีอื่นจากอัลลอฮ์และพรงตราสคินว่า พวกเจ้าทำให้บรรดาบ่าวของข้าเหล่านั้นหลงทางกระ น, นั้นหรือหรือว่าพวกเขาหลงทางกันเอง พวกเขากล่าวว่ามหาบริสุทธิ์พระองค์ท่านไม่เป็นการบังควรแก่พวกเราที่พวกเราจะยึดถือผู้คุ้มครองอื่นๆ น, นอกจากพระคแต่ถ้าว่าพระองค์ได้ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพให้แก่พวกเขาและบรรพบรุษของพวกเขาจงกระทั่งพวกเขาได้ลืมดำนึกถึงพระองค์ และพวกเขาได้เป็นกลุ่มชนที่วิบัติแน่นอนพวกเขาได้ปฏิเสธพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวดังนั้นพวกเจ้าจึงไม่สามารถเลี่ยงไม่ให้มีการลงโทษและไม่สามารถจะให้ความช่วยเหลือได้ และผู้ใดในหมู่พวกเจ้าอาธรรมเราจะให้เขาลิมรถการลงโทษอันมหันต์ และเราไม่ได้ส่งคนใดในบรรดารอศูนย์ก่อนหน้าเจ้านอกจากพวกเขาจะรับประทานอาหารและเดินไปในตลาดและเราได้ทำให้บางคนในบู่พวกเจ้าเป็นการทดสอบแก่อีกบางคนเพื่อดูว่าพวกเจ้าโจทย์ทนไหมและพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นทรงเห็นทุกอย่าง ละบรรดาผู้ที่ไม่หวังจะพบเรากล่าวว่าชะไหนเล่ามาลัยก้าจึงไม่ถูกส่งลงมาอย่างพวกเราหรือเราไม่เห็นพระผู้อภิบาลของเราแน่นอนพวกเขาหยิ่งยะโสในตัวของพวกเขามาก และพวกเขาได้ละเมิดขอบเขตอย่างมากมายวันที่พวกเขาเห็นมาลายกาในวันนั้นจะไม่มีข่าวดีสำหรับผู้กระทมความผิดและมาลายกาก็จะกล่าวว่าสวรรค์จะถูกห้ามอย่างเด็ดขาดสำหรับพวกเขาแล้ ว, ว ه ه และเรามุ่งสู่ส่วนหนึ่งของการงานที่เขาได้ปฏิบัติไว้แล้วเราได้ทำให้มันไร้คุณค่ากลายเป็นฝุนละอองที่ปลิวมมว่อน ชาวสวรรค์นในวันนั้นจะอยู่ในที่พำนักที่ดีและที่พักผ่ออันสบายยิ่งและวันที่ท้องฟ้าจะแตกออกจากก้อนเมฆและมาลายกาจะถูกส่งทยอยลงมา ในวันนั้นอำนาจอันแท้จริงเป็นสิทธิของพระผู้ทรงกรุณาและมันเป็นวันที่ลำบากแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาและวันที่ผู้อาธรรมจะกัดมือของเขาแล้วจะกล่าวว่าโอ้ ถ้าฉันได้ยึดแนวทางร่วมกับรอซูลก็จะเป็นการดีโอความวิบัติสำหรับฉันหากฉันไม่คบคนนั้นเป็นเพื่อนแน่นนน เขาได้ทำให้ฉันหลงผิดจากการตักเตือนหลังจากที่มันได้มีมายัางฉันและชวยตอนมันร้ายนั้นมันเป็นผู้เหยียดหยามมนุษย์เสมอและรอสูลได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงกลุ่มชนของฉันได้ยึดเอาอัลกุรอานนี้ เป็นที่ทอดทิ้งไปเสียแล้วและเช่นนั้นแหละเราได้ทำให้ด บ, บีทุกคนมีศัตรูผู้กระทาผิดและพอเพียงแล้วที่พระผู้อภิบาลของเจ้าจะเป็นผู้แนะทางนำและทรงเป็นผู้ช่วยเหลือ และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่าทำไมอัลกุรอานจึงไม่ถูกประทานลงมาแก่เขาครั้งเดียวหมดเช่นนั้นแหละเพื่อเราจะได้ทำให้หัวใจของเจ้ามั่นคงหนักแน่น และเราได้จัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยและพวกเขาจะไม่นำข้อเปรียบเทียบใดๆมาอย่างเจ้าเว้นแต่เราจะได้นำความจริงมาให้เจ้าและการอธิบายอย่างดียิ่ง บัร ด, ดาผู้ที่ถูกให้มาชุมนุมกันจะใช้ใบหน้าของพวกเขาเดินไปยังนรกยานนําชนเหล่านั้นจะอยู่ในสถานที่ที่เลวและหลงทางไปไกลดิบและแท้จริงเราได้ประทานคำพีเตา ร, รอนแก่มูซา และเราได้พี่ชายของเขาคือฮารุนเป็นผู้ช่วยเหลือแล้วเราได้กล่าวว่าเจ้าทั้งสองจงไปยังกลุ่มชนที่ไม่เชื่อองค์การทั้งหลายของเราเถิดและเราได้ทำลายพวกเขาอย่างย่อยยับ ا أ และกลุ่มชนของนัวเมื่อพวกเขาไม่เชื่อฟังบรรดาหรอดสูลเราได้ให้พวกเขาจมน้ำตายและเราได้ทำให้พวกเขาเป็นสัญญาณหนึ่งแก่มนุษยชาติ และเราได้เตรียมการลงโทษอย่างเจ็บปวดไว้สำหรับบรรดาผู้อาธรรมและเราได้ทำลายพวกอาร์และพวกสมุตรและชาวบ่อน้ำและชนชาติอีกมากมายระหว่างนั้น และแต่ละชนชาติเราได้นําหลักฐานมาชี้แจงแก่เขาและแต่ละชนชาตินั้นเราก็ได้ทําลายไปอย่างสินส้นซากและแท้จริงพวกเขาได้ผ่านมายัางหมู่บ้านที่ถูกทําลายโดยก้อนหินที่ตกลงมาจากฟากฟ้าและพวกเขาไม่เห็นมันดอกหรือ เปล่ารอพวกเขาไม่หวังที่จะฟื้นคืนชีพต่างหากและเมื่อพวกเขาเห็นเจ้ามูฮัมหมัดพวกเขาก็จะไม่ถือเอาเจ้าเป็นอย่างอื่นนอกจากเพื่อเป็นที่ล้อเล่น นี่แหละหรือที่เราส่งส่งให้มาเป็นศาส น, นาทูตเขาเกือบจะทำให้เราหลงทางไปจากบรรดาพระเจ้าของเราหากว่าเราไม่อดทนยึดมั่นพระเจ้าเหล่านั้นและพวกเขาจะรู้เมื่อพวกเขาได้พบเห็นการลงโทษว่า จะลนเจ้าเห็นดอกหรือผู้ที่ยึดเอาอารมณ์ไฟต่ำของเขาเป็นพระเจ้าของเขาแล้วเจ้าจะเป็นผู้คุ้มครองเขากระนั้นหรืออ หรือเจ้าจะคิดว่าพวกเขาส่วนใหญ่จะได้ยินหรือใช้สติปัญญาพวกเขาไม่ใช่อืน่นใดดอกนอกจากเป็นสัตว์เดรัจฉานยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังจะหลงทางอีกอแลม้วเจ้าจะรู้ว่าพระเจ้าทรลทำอย่างไรที่ทำให้พวกเนามััชหลีลาง เจ้าม่ได้พิจารณาดูพระผู้อภิบาลของเจ้าดอกหรือว่าพระองค์ทรงแผ่งเงากระจายออกไปอย่างไรและหากพระองค์ทรงประสงค์แน่นอนพระองค์จะทรงทำให้มันหยุดนิ่งแล้วเราได้ทำให้ดวงอาทิตย์เป็นสัญญาณหนึ่งในการนี้นแล้วเราได้เงาสูญสิ้นจากเราไปที่ละน้อย الَّذِي جَعْلَ และพรงค์คือผู้ทรงทำให้กลางคืนเป็นเครื่องนุ่งห่มสำหรับพวกเจ้าและให้การนอนเป็นการพักผ่อนและทำให้กลางวันมีการเคลื่อนไหว الَّذِي أَرْسَلَ الرِّزِيَاحَ ลับโปรงคือผู้ส่งลมเป็นการนำข่าวดีทำกลางความเวตตาของโปรงและเราได้ประทานน้ำสะอาดลงมาจาก ฟ, ากฟ้าฝ่าลิ نحِيه بِهِ بَلْدَةً مِيتَ وَنُصِيهُ مِمَّا خَلَقْنَا ن, ن, ن, ن ع َ ا م َ وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا เพื่อเราใช้แผ่นดินที่แห้งแล้งมีชีวิตด้วยมันคือน้ำและเราจะให้สิ่งที่เราได้สร้างมันขึ้นมาอันได้แก่ปศุสัตว์และมนุษย์มากมายดื่มมันและแท้จริงเราได้ชี้แจงมันคืออัลกุรอานระหว่างพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้พิจรารณา แต่มนุษย์ส่วนมากไม่ยอมรับนอกจากการปฏิเสธและหากเราประสงค์แล้วแนะ่นอนเราก็จะส่งผู้ตักเตือนไปอย่างทุกๆุกตำบลดังนั้นเจ้าจงอย่ญญาเชื่อฟังพวกผู้ปฏิเสธศรัทธาและจงต่อสู้กับพวกเขาด้วยมัน คืออัลกุรอานโดยถือเป็นการต่อสู้อันยิ่งใหญ่และพระงค์คือผู้ทรงทำให้ทะเลทั้งสองบรรจบติดกันอันนี้จืดสนิทอันนี้เข็มจัดและทรง ทำที่ขั้นระหว่างมั่นทั้งสองและที่ขวางกั้นอันแน่นหนาและพระองค์คือผู้ทรงบังเกิดมนุษย์จากน้ำอสุจิและทรงทำให้มีเชื้อสายและเครือยาิและพระผู้อภิบาลของเจ้านั้น เป็นผู้ส่งเดชานุภาพและวพวกเขาเขอรับพระเดีอื่นจากอัลลอฮ์ซึ่งมันไม่คุณแก่พวกเขาและไม่โทษแก่พวกเขาและผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นเป็นผู้ช่วยเหลือใช่ตอน ให้ฝ่าฝืนพระผู้อภิบาลของเขาและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากเป็นผู้แจ้งข่าวดีและแจ้งข่าวร้ายช่วงกล่าวเถิดมูฮัมมัด ว่าฉันไม่ได้ขอค่าจ้างจากพวกเจ้าในการเผยแพร่เว้นแต่ว่าผู้ใดประสงค์ก็ให้เขายึดเป็นแนวทางไปสู่พระผู้อภิบาลของเขาและเจ้าจงมอบหมายต่อพระผู้ทรงเป็นตลอดกาลซึ่งไม่ตายและจงแท่ซองด้วยการสรรเสริญพระองค์ และพอเพียงแล้วสำหรับโปรง่งผู้ทรงรอบรู้ในความผิดทั้งหลายของปวงบ่าวของโปรง่งพระผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่มีอยู่ระหว่างทั้งสองนั้นในหกวัน แล้วพระองค์ทรงสถิตยอยู่บนบัลลังก์พระองค์ผู้ทรงกรุณาดังนั้นเจ้าจงถามผู้รอบรู้เกี่ยวกับพระองค์เถิดและเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าจงกราบต่อพระผู้ทรงกรุณาเถิดพวกเขาได้กล่าวว่า ใครคือพระผู้ทรงกรุณาเจ้าเรากราบตามที่ท่านสั่งเรากระนั้นหรือและมันได้เพิ่มการหันเห อ, ออกไปแก่พวกเขาพระผู้ทรงธรรมให้ฉันฟ้ามีหมู่ดาวและได้ทรงทำให้มีตะเกียงในนั้น และมีดวงจันทร์ที่มีแสงนวลท่งจำเริญยิ่งและพระองค์คือผู้ทรงบันดาลให้มีกลางคืนและกลางวันหมุนเวียนแทนที่กันสำหรับผู้ปรารถนาที่จะทบทวนหรือปรารถนาจะขอบคุณ ا إ ลและปวงเบาวของพระผู้ทรงกรุณาคือบรรดาผู้ที่เดินบนผ่นดินด้วยความสงบส ง, งยมและเมื่อพวกงโง่เขากล่าวทักทายพวกเขาพวกเขาจะกล่าวว่าสันติ َالَّذِينَ يَبِیتُونَ وَقِيَامًا لِرَبِّهِمْ سُجْجَدًا และบรรดาผู้ที่ใช้เวลากลางคืนทำการสุญูดและยืนละหมาดเพื่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา َالَّذِينَ عَذَابَ عَذَابَ يَقُونُونَ رَبَّ نَصْرِفْ عَنَّا جَهَنَّمْ هَا كَانَ غَرَامًا และบรรดาผู้ที่กล่าวว่าโอ พระผู้บาญของเราขอพระองค์ทรงหันเหการ ล, ลงโทษของนรกไปให้ผลจากเราแท้จริงการลงโทษของมันนั้นคงอยู่ตลอดกาลาาแท้จริงมันเป็นที่อยู่และที่พำนักอันเลวร้ายยิยง่ง และบันดาบุที่เมื่อพวกเขาใช้จ่ายพวกเขาก็จะไม่สุรุยสุร่ายและไม่ตรณีและระหว่างสองสภาพนั้นพวกเขาอยู่สายกลย์ له และบรรดาผู้ที่ไม่วิงวอนขอพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่ไปกับอัลลอฮ์และพวกเขาไม่ฆ่าชีวิตที่อ AH. ัลลอฮ์ทรงห้ามไว้เว้นแต่เพื่อความยุติธรรมและพวกเขาไม่ผิดประเวณีและผู้ใดกระทำเช่นนั้นเขาจะได้พบกับความผิด การลงโทษในวันประโลกจะถูกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสำหรับเขาและเขาจะอยู่ในนั้นอย่างอับปย صالح เว้นแต่ผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวและศรัทธาและประกอบการงานที่ดีเขาเหล่านั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงเปลี่ยนความชั่วของพวกเขาเป็นความดีและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภยัยผู้ทรงเมตตาเสมอ ا إ ال และผู้ใดกลับเนื้อกลับตัวและกระทําความดี แท้จริงเขากลับเนื้อกลับตัวเข้าหาอัลลอฮ์อย่างจริงจังและบรรดาผู้ไม่เป็นพยานเท็จและเมื่อพวกเขาผ่านเรื่องไร้าสาระพวกเขาก็ผ่านไปอย่างมีเกียรติ และบรรดาผู้ที่เมื่อถูกกล่าวเตือนให้ดำลึกถึงองค์การทั้งหลายของพระผู้อภิบาลของพวกเขาพวกเขาจะไม่ผินหลังให้เช่นสภาพคนหูหนวกและตาบอด และบรรดาผู้ที่กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราขอโป ร, ปรดประทานแก่เราซึ่งคู่ครองของเราและลูกหลานของเราให้เป็นที่รื่นรมแก่สายตาของเราและทรงทำให้เราเป็นแบบอย่างแกบรรดาผู้ย่ำเกรง เขาเหล่านั้นจะรับการตอบแทนในการที่พวกเขาอดทนและพวกเขาจะได้พบการกล่าวคำต้อนรับและสลามดีี سلام โดยเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นอย่างถาวรซึ่งเป็นที่พำนักและเป็นที่พักอาศัยที่ภูมิฐานา أ ب أ ب จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพระผู้อิบารของฉันจะไม่ใยดีต่อพวกเจ้าหากไม่มีการวิงวอนของพวกเจ้าความจริงพวกเจ้าได้ปฏิเสธไม่รับฟัง ดังนั้นการลงโทษจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน